ปรารถนาว่าโอ้ยขอชาติหน้าบรรลุใช่แล้วว่าถ้ามีชาตินะชรามรณาโสกกะปริเทวะทุกขโ ท, โทมนัตและอุปายาตโดยมากก็หวังกันชาติหน้าถูกต้องนะชาติชรามรณาโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเนี่ยนะมันก็ต้องมาฝึกคิดว่าทํำยังไงเราจะเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นได้บ่อยได้มากคือถ้าเห็นแบบนี้ถ้าเราคิดว่าเป็นการปฏิบัตินั่นแหละคือการปฏิบัติเพราะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นอย่างที่ พระพุทธเจ้าเห็นเราจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะแล้วเราบางทีก็จะเอาพระพุทธเจ้ามาอธิบายอย่างที่เราเห็นแต่เราไม่คิดจะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นเพราะเราต้องเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วถามว่าจริงๆเถอะว่าเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยนะฮะเอ็ที่เราว่าไปเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอย่างนั้นจริงๆไหมไม่โอ้ยนอนกว่าจะนึกออกสักหน่อยหนึ่ง พอผู้เราป่วยเออใช่ความป่วยก็เป็นทุกข์เงี่ยนะตายไปแล้วละเอออาจจะนึกได้บ้างความตายก็เป็นทุกข์แต่มันไม่สมบูรณ์แบบไม่ต่อเนื่องและตลอดสายไม่ได้เห็นเป็นเป็นปกติวิสัยที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงทีนี้บางคนเนี่ยบอกอได้เวลาปฏิบัติได้เวลาไม่ปฏิบัติแล้วไอ้ปฏิบัติเนี่คือการปรับความเข้าใจเออตอนนี้เราจะขอเข้าใจถูกตอนนี้เราขอเข้าใจผิดนะตอนนี้ขอเพี้ยนไปก่อนตอนนี้ขอ ตรงมันก็แสดงว่าไม่ไม่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมันก็ต้องปรับให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงเนี่ยนะให้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นชื่อว่าอะไรนะนึกถึงที่เราเรียกว่าสัตสัตคืออะไรก็คือที่ประชุมแห่งขันห้าที่เราเรียกว่าคนนั้นคนนี้เป็นต้นก็คือขันห้านั่นแหละประชุมกันเมื่อเรานึกอย่างนั้นปั๊บชาติปิทุกขาจาราปิทุกขาไล่มาเป็นเข้าใจแบบนั้นเลยเนะีเข้าใจแบบนั้นจริงๆชาติปิทุกขาในระีชาติธรรมโต ชาราภิทุกขาก็คือชาราติธรรมโตพญาที่ิทุกขาก็คือพญาทิธรรมโตนะมรณะธรรมโตโสกะธรรมโตปริเทวธรรมโตเป็นต้นนั่นะนั่นก็ต้องมามาไข่ครวนแบบนี้ให้บ่อยๆให้มากๆนั่นแหละเป็นเป็นการปรับทัศนคติที่ถูกต้องให้เห็นสอดคล้องตามอริยสัจอย่าลืมว่าการศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่จริงหรือสิ่งที่ปลอม สิ่งที่จริงนี่เมื่อความจริงเนี่ยทายังไงเราจะบอกว่าการรู้ความจริงนี่คือการปฏิบัตินะการรู้ความจริงการเห็นความจริงการคิดความจริงการพูดความจริงนั่นแหละคือการปฏิบัติแต่อย่าลืมว่าความจริงมีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันนะจริงเพื่อกําหนดรู้จริงเพื่อละจริงเพื่อทําให้แจ้งจริงเพื่อเจริญไม่ใช่ได้สาวคนโน้นเขาเลวจริงอ่ะก็เลยมาพูดจริงเลยก็เลยเจ็บจริงเหมือนกัน แต่จริงแบบนั้นไม่ไม่ได้ประสงค์ในที่นี้แต่จริงในที่นี้หมายความว่าจริงที่ควรกําหนดรู้นะกำหนดรู้ว่ายัางไงกําหนดรู้ว่าความเกิดก็เป็นทุกข์คือตัววัตถุจริงๆก็คือตัวขันตัวอายตนะตัวธาตุขันธาตุอายตนะเหลา่านี้เมื่อไหร่เราจะเห็นความจริงอันนี้คือสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความป่วยมีความเจ็บมีความตายเป็นต้นเป็นธรรมดาเป็นปกติของเขาเนี่ยนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยคือตัวทุกข์แล้วตัวทุกข์อย่างเนี้ยใครจะไปทํา ขออย่าเกิดเลยขออย่าแก่ขออย่าเจ็บแล้วใครมีอำนาจจริงในสิ่งนี้บ้างไหมใครมีอำนาจสั่งว่าจงสุขก็ขไม่ได้ที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงและสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละจึงเป็นทุกข์แล้วใครมีอำนาจดังกล่าวไปแล้วมีบ้างไหมไม่ได้ใครมีอำนาจในชีวิตที่แท้จริงเลยมีไหมไม่มีแม้แต่อย่างเดียวแต่ทุกข์เหล่านี้เป็นที่เกิดแห่งสมุทัย อนนะดอกไม้คือตันหามันก็เบ่งบานมาจากกองทุกเหล่านี้นีแ่แหละก็ข้อนี้แหลเป็นทุกขะสมุทัยอริยศาสตร์คือตันหาอันที่ตัวที่ทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลดิดเพลินมีปกติเพลดิดเพลินในอารมณ์นั้นๆนะนะก็เพลดิดเพลินในไหนก็นในเพลดิดเพลินในสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพลดิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตัวความเพลดิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเป็น สมุทัยศัสตร์นั่นแหละคือมิจฉาปฏิปทารนั่นแหละคือข้อปฏิบัติเพื่อความสร้างทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลทั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นที่มันเป็นทุกข์ถามว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ก็เพลิเพลินในการเกิดนั่นแหละจึงเกิดก็เพลิดเพลินในความแก่นั่นแหละจึงแก่เพลิเพลินในความเจ็บความตายนั่นแหละจึงตายบางคนก็ถามว่าเอ๊ะเพลิดเพลินในความป่วยมีจริงหรือจริงนะมีความสุขกับความเจ็บป่วยนี่มี มีความจริงความสุขกับความแก่ก็มีนะเค ย, เยว่าสมัยเด็กๆว่าโอยถ้าเราโตแล้วเราจะสบายเราจะต้องอะไรนั่นแหละก็คิดว่าแก่แล้วจะสบายเนี่ยนะที่ไหนได้บางคนบอกโอ้ยตายแล้วก็สบายเองนะนั่นแะเนี่ยรอแต่วันตายเนี่แหลนะคิดว่าตายแล้วจะสบายพันสรุปว่าจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายตันหาก็เกิดวันยังค่ำนี่นะจัประจบ ก, กับสิ่งไม่เป็นที่รักตันหาก็เกิด จะพลาดจากของรักก็เกิดตัณหาเนี่ยนะปรารถนาไม่สมหวังก็ตัวที่ปรารถนานั่นแหละคือตัวตัณหาพันตัณหาความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือตัวอะไรตัวทุกข์ก็ไปตัวเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยนะขั้งกรรมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกข์ข้อนี้แหละคือทุกข์คณิโรธอริยสัจคือความดับตัณหานั่นแหละ โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยมักคือวิราคะการสละสละคืนการปล่อยการไม่พัวพันนั่นแหละคือการดับทุกข์ทีนี้ตัวทุกขาริยสัตว์คือตัวขันท่าตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดที่รูปถ้าจะดับตัณหาดับที่ไหนก็ดับที่รูปตัณหาถ้าจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่เวทนาถ้าจะดับตัณหาดับที่ไหนก็ดับที่เวทนาตัณหาจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่สัญญาถ้าจะดับตัณหาดับที่ไหนดับที่สัญญา ตัณหาจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่สังขารถ้าจะดับดับที่ไหนสังขารตัณหาถ้าจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่วิญญาณถ้าจะดับดับที่ไหนดับที่วิญญาณก็ดูว่าขันห้าเนี่ยทุกคนก็เคลื่อนขันห้าไปเรื่อยเนี่ยนะเคลื่อนไปไหนชรามรณะทีนี้ถามว่าเพื่อปฏิบัติอะไรปฏิบัติในตัณหาหรือว่าปฏิบัติเพื่อดับตัณหาเนี่ยนะถ้าปฏิบัติเพื่อดับตัณหาบอกว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงจะเป็นการ ดับตันหารู้เห็นอย่างไรจึงจะดับตันหารู้เห็นความนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้ความเกิดแห่งเวทนานี้ความดับแห่งเวทนานี้ความเกิดแห่งสัญญานี้เป็นความดับแห่งสัญญานี้ความเกิดแห่งสังขารนี้เป็นความดับแห่งสังขารนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้เป็นความดับแห่งวิญญาณแต่นี้ความเกิดเกิดเพราะอะไรเกิดก็เพราะตันหาเกิดนั่นแหละรูปจึงเกิดถ้าตันหาดับรูปก็ดับนะ ถ้าตัณหาเกิดเวทนาก็เกิดถ้าตัณหาดับเวทนาก็ดับถ้าถ้าอะไรถ้าตัณหาเก те, ิดสัญญ า, าก็เกิดถ้าสัญตัณหาดับสัญญาก็ดับถ้าตัณหาเกิดสังขารก็เกิดถ้าตัณหาดับสังขารก็ดับถ้าตัณหาเกิดวิญญาณก็เกิดถ้าตัณหาดับวิญญาณก็ดับเดี๋ยวนะก็มาทบทวนว่าถ้าตัณหาเกิดจบที่ไหนถ้าดับตัณหาดีอย่างไร แล้วปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะจึงจะดับตัณหาได้จริงก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดไอการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดนั่นแหละเป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิคลายกำหนัดเรียกว่ามัคขสัมมาทิฏฐิเห็นไหมปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายทำไมนะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเรียกว่าวิปัสนาสัมมาทิฏฐิปฏิบัติเพื่อคลายกําหนัดเนี่ยนะวิราคะนั่นแหละเป็นมัคขสัมมาทิฏฐิ ข้อนี้และทุกขานิโรธาขามิหนีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรตมีองค์8ดนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะมีความเห็นอย่างถูกต้องนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็คือปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิคลายกำหนัดเป็นมรตสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจะคิดยังไง ก็คิดตามที่เห็นนั่นแหละไอความเห็นเช่นใดแล้วก็คิดตามนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะคนนี่มันเห็นอะไรมันก็พูดอย่างนั้นแหละเอาเงี้กับชีวิตจริงๆแล้วใครปฏิบัติอะไรนะดูะเดี๋ยวเขาพูดอันนั้นออกมาสิ่งที่เขาพูดนั้นประกาศถึงสิ่งที่เขาคิดประกาศถึงความเห็นของเขาและความคิดของเขาดูจากอะไรก็ดูจากคําพูดะนะคนมันจะเดี๋ยวมันพูดมู่สามพูดได้ไม่นานหรอกแลวกวกไปวกมาก็กลับมาหาตามความเห็นและตาม ความคิดนั่นแหละมันโลกนี้มันมีแต่มูสาตลอดมันก็ไม่อยู่อย่างนี้หรอกมันก็เดี๋ยวก็กลับไปเจอความจริงจนได้จริงแบบไหนเขาเห็นแบบไหนเขาคิดแบบไหนเขาก็จะพูดแบบนั้นเขาพูดอะไรมาเดี๋ยวว่าทามันนั่นแหละสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทํานั่นแหละคืออาชีพของเขาคืออาชีพของเขาแล้วถ้าอย่างนี้นะสมมติว่ า, าเห็นด้วยกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิพิจารณาด้วยวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ มีมัคคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากามันตะสัมมาชีวะก็สมควรเพราะเป็นฐานแห่งการปฏิบัติเหล่านั้นการปฏิบัติเหล่านั้นเป็นไปได้ด้วยดีก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่นะพันวิปัสนาสมาทิทิกับสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสนาที่เหลือก็เป็นสมถะสมถาวิปัสนานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่กาหนดรู้ทุก ละทุกขสมุทัยเป็นการเจริญเพื่อทําทุกขานิโรธให้แจ้งเป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริง น, นะเป็นความจริงแท้ของพระอริยะข้อปฏิบัติเหล่านี้ทั้งกล่าวนี้แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพระองค์ชี้ชัดเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ตรัสรู้คืออริยมรตมีองค์8อริยมรตมีองค์8ดนี่แหละที่ทําให้พระองค์แทงตลอดอริยสัจจากข้อปฏิบัติเหล่านั้น น, นะข้อปฏิบัติสายกลางเหล่านั้นเนี่ยนะ ที่ทำจักสุให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั่นคือมัชิมาปฏิปทานั่นคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่แทงตลอดอริยศัสตร์เหล่านี้แหละตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่าง จากคงอุทะปาธิยาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกโอุทะปาธิเนี่ยนะจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยวันนี้ทุกขาริยสัตว์ทุกดังที่กล่าวไปไม่เคยได้ยินมาไม่มีใครพูดให้ฟังมาก่อนเลยว่าความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกทั้งหมดที่เราพิจารณานะเราไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะเนี่ยวันนี้ทุกขาริยสัตว์ แล้วตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เคยมีใครบอกเรามาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้นะควรรอบรู้ตามเป็นจริงว่าความจริงมันก็แค่นั้นแหละมันก็คือกองทุกนั่นแหละลนะก็คือสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าการใคร่ครวญแบบนี้นี่แหละเป็นกิจของเขากิจของเขาคือการใคร่ครวญ ตาปัญญาวิชาแสงสว่างอะไรเกิดขึ้นแก่เราที่เราไม่เคยมีใครบอกเรามาก่อนเลยว่าเราทำกิจอันนี้เสร็จแล้วกำหนดรู้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะ